ขอบคุณประเจ้าในบ่ายวันนี้ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสมาเยี่ยมท่านพี่น้องที่ขึจากพัฒนานะครับผมผมคิดว่าขึ้นจากมีกุสโลบายาที่จะไม่ทําให้ตัวหนังสือใหญ่จนเกินไปเพื่อคนที่อยากอ่านหนังสือจะต้องกระเถิบมาที่ด้านหน้าพวกเราที่ข้างหลังมองเห็นไหมครับถ้ามองไม่เห็นหรือว่ามองไม่ไม่ไม่ชัดวิธีที่จะมองชัดก็คือกระเถิบขึ้นมานั่งที่ข้างหน้านะครับ อในความเข้าใจของผมเดือนเอเดืนมษายนเป็นเดือนแห่งซ้ายใยครอบครัวและผู้อาวุโสของขึ้นจักรนะครับเังนั้บ่ายวันนี้อยากจะแบ่งปันกับเราอะไรบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสําหรับเราภายในครอบครอบครัวบ่ายวันนี้จะไม่ใช่เป็นคําเทศนาในวิธีการแบบปกติที่ปกติจะอ่านพระธรรมตอนตอนหนึ่งแล้วก็ขยายความจากเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมตอนนั้น ใบวันนี้อยากจะแบ่งปันอยากจะสอนเราบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสําหรับเรานะครับผมอยากให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาบายวันนี้เราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสอยู่ในพันธเวศของพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับครอบครัวที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราขอบคุณพระองค์สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขอบคุณพระองค์สำหรับภรรยาสำรบสามสามีขอบคุณพระองค์สำหรับลูกหลาน บุคลเหล่านี้ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับการเป็นครอบครัวของเราเป็นหน่วยเล็กที่สําคัญต่อสุขภาพของคริสตจักรและประเทศชาติบ่ายวันนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระองค์สมบตอํานวยพรให้กับช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันจะเป็นเวลาที่เป็นคุ ณ, ณประโยชน์ในเชิงปฏิบัติขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อสิ่งที่เราเรียนรู้ในบ่ายนี้จะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติสําหรับเราขออวยพรกับช่วงเวลาเที่เรใช้ด้วยกันด้วย ขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนายวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการเล่าสองสมเรื่องให้พวกเราฟังนะครับเรื่องแรกเกิดขึ้นที่ที่สถานีรถร ถ, รถรถรถไฟแห่ ง, ห, งหนึ่งรถไฟขาบวนหนึ่งเข้ามาจอดแล้วก็พอจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งถือถาดนะครับมีเครื่องดื่มอยู่แล้วเด็กคนนี้ก็ขึ้นไปบนรถบนรถไฟแล้วเด็กก็ตะโกนเสียงดังว่า กาแฟเย็นไมมพี่กาแฟเย็นไหมพี่เด็กคนนี้ตะโกนไปก็เดินไปนะครับปรากฏว่าเดินไปเดินมาสองรอบอไม่มีใครตอบต่อตอบรับเด็กคนนี้ในขาที่เดินรอบที่สามเด็กคนนี้ก็ตะโกนเสียงดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่ากาแฟเย็นไมมพี่กาแฟเย็นไหพี่หลังจากตะโกนเสียงดังแบบนั้นผู้โดยสารคนหนึ่งก็อดรทนไม่ไหวนะครับลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าน้อง น้องถือกาแฟอยู่ในมือแล้วยังไม่รู้ว่ามันเย็นหรือเปล่าแล้วคนอื่นที่ไม่ได้ถือกาแฟเขาจะรู้ได้ยังไงถามอยู่ได้กาแฟเย็นไหมพี่กาแฟเย็นไหมพี่ในะเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของเด็กหญิงอายุแปดขวบเด็กหญิงคนค น, นี้เนี่ยลงไปที่สนามหญ้ขาขณะที่คุณแม่กําลังทํางานบางอย่างที่นั่นแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็ถามคุณคุณแม่นะครับบอกคุณแม่คะหนูมาจากไหนคะ คุณแม่หยุดจากงานที่กำลังทำอยู่แล้วก็มองเข้าไปในลูกตาดำของลูกของลูกสาวแล้วก็มีสีหน้าแสดงถึงความพิศว ง, งงงงวยหลังจากนั้นคุณแม่ก็วางสิ่งต่างๆที่กำลังทำอยู่จูงมือลูกสาวไปนั่งที่ชิ ง, ช, งช้าแล้วคุณแม่ก็เริ่มอธิบายให้ลูกสาวฟังว่าลูกสาวมาจากที่ไหนคุณแม่พูดถึงโครโมโซมสาหน่วยจากอสุจิของคุณพ่อว่าเดินทางไปพบกับโครโมโซมอีกสาหน่วยจากไข่ของคุณคุณแม่ แล้วรวมกันขึ้นกลับกลายเป็นเซลล์แรกแล้วก็เคลื่อนตัวมาฝังลงที่ผนังของมดมดลูกแล้วเนี่ยก็แบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากประมาณเก้าเดือนก็กลับกลายเป็นหนูแล้วก็คลอดลืมตาออกมาดูโลกที่สวยสงามใบนี้เด็กหญิงอายุแปดขวบคนนี้มองหน้าคุณแม่แล้วก็ปากอ้าตาค้างกับสิ่งคุณแม่เล่าให้เขากลัฟังนะครับสรแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็ตอบคุณแม่บอกว่าคุณแม่คะสิ่งที่คุณแม่เล่าให้หนูฟังนี้ก็น่าสนใจอยู่นะ แต่หนูเพียงแต่อยากจะรู้ว่าหนูมาจากไหนเท่านั้นสมศรีเพื่อนหนูเขาบอกว่าเขามาจากเชียงใหม่ครับแล้วเรื่องที่สามเป็นเรื่องสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ในช่วงวัยกลางคนเข้าไปทานอาหารในพัตตะการแล้วก็ดูจากสีหน้าทั้งสองคงจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับหลังจากสังหารมาทานสักพักพักหนึ่งก็มีสามีภรรยาสูงอายุ ค, คู่หนึ่งเนี่ยเข้ามาในพัตตารนั้น แล้วในเมื่อสามีภรยาคู่ที่สองนั้น น, นั่งลงคนที่เป็นสามีก็หยอกล้อภรยาของตนเองนะครับหันไปกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูแล้วภรยาก็หน้าแดงเอามือตีฝ่ามือของเขาคนที่เป็นภรรย า, ยา ข, ของคู่แรกเนี่ยก็มองไปที่คู่นั้นแล้วก็บอกกับสา ม, ามีบอกว่าเธอเธอดูสามีภรยาคู่นั้นสิภรรยาก็คนที่เป็นสามีก็หันไปดูนะครับคนที่เป็นภรรยาก็บอกว่าทาไมเธอไม่ทาเหมือนกับเขาบ้างล่ะ สามีมองสักครู่แล้วก็ตอบพยาว่าฉันจะทำเหมือนกับเขาได้ยังไงฉันยังไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเลยนะครับเรื่องทั้งสมนี้มีอะไรที่เหมือนเหมือนที่เหมือนกันเรื่องทั้งสามนี้มีปัญหาอย่างเดียวกันเหมือนกันก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกบางสิ่ ง, บา ง, บ, างาบางอย่างแต่คนหนึ่งกลับไม่สามารถถอดความหมายของเขาได้ แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารของเขานะครับผมปีนี้เนี่ยแต่งงานมาเป็นปีที่สา1แล้วแล้วก็ผมยังพบว่าการสื่อสารระหว่างผมกับภรรยายังมีสิ่งที่ท้าทายอยู่เรื่อยๆนะครับและในช่วงแรกของชีวิตแต่งงานของเราทั้งสองสองคนแมว่าเราจะพูดคำพูดประโยคเดียวกันแล้วก็เข้ า, เาใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเราหมายความว่าอะไร แต่เราพบว่ามีปัญหาในการสื่อสารระหว่างเราทั้งสองคนหลังจากสามสิบแปดปีผ่านพ้นไปการสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ใว้วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะครับตั้งชื่อหัวข้อในบ่ายนี้ว่าสื่อสารประสานใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบุคคลภายในครอบครัวเป็นกุญแจสําคัญดอกหนึ่ง ในการกอร่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลต่างๆภายในครอบครัวนั้นมีนักวิจัยชาวอเมริกันสองคนนะครับชื่อดิคส์เ n นเ t กับ John D. ดีเฟรเขาออกไปศึกษาวิจัยเพื่อจะดูว่าครอบครัวที่เข้มแข็งมีลักษณะร่วมอะไรที่เหมือนๆกันและ ว, วิธีที่เขาทำก็คือเขาไปศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพนะครับมีความหมายว่าเขาไปสัมภาษณ์ทีละคู่ แล้วก็เก็บข้อมูลจากคู่ต่างๆที่เขาโอกาสได้พูดคุยด้วยเขาอยากจะรู้ว่าคู่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมีลักษะร่วมอะไรที่เหมือนกันหลังจากทํางาน ว, วิจัยนี้เสร็จเสร็จแล้วเขาประมวลผลจากการศึกษาแล้วก็พบว่าครอบครัวที่เข้มแข็งนั้นมีลักษะ6อย่างที่เหมือนเหมือนกันลักษณะอย่างแรกก็คือการอุทิศตนหรือคอมมิตเมนต์ลักษะประการที่สองก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวเรื่องคอมัรักษาประการที่สามว่าความสามารถในการแก้กปัญหา coping ability ครอบครัวทุกครอบครัวจะต้องพบกับปัญหาอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ดังนั้นครอบครัวที่สามารถฟันฝ่าปัญหาได้ต้องมีสกิลเหลา่านี้นะครับ coping ability ประการที่สี่ก็คือการแสดงความชื่นชมต่อ ก, กันและการหรือ appreciation ประการที่ห้าก็คือการใช้เวลาร่วมกันและก็ประการที่หก็คือการอุทิศตนทางจิตวิญญาณการอุทิศตนทางจิตวิญญาณมีความหมายว่าความเชื่อในพระเจ้าของพวกของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์เท่านั้นความเชื่อในพระเจ้าของเขาเป็นเรื่องของชีวิต24ชั่วเจาะ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์30ถึง31วันต่อเดือนนักวิจัยทั้งสองพบว่า ครอบครัวที่มีความเข้มแข็งนั้นมีลักษณะหกอย่างนี้เหมือนเหมือนกันแล้วก็หนึ่งในบรรดาหกอย่างนั้นก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวนั้นในพระธรรมทั้งสองตอนที่เราได้อ่านไปด้วยกันจากหนังสือสุภาษิตเป็นตัวอย่างของข้อพระธรรมมากมายหลายแห่งด้วยการที่ชี้ให้เราเห็นเห็นว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นก่อเกิดผลในเชิงบวกและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นก่อให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับ ที่จะตอบให้เหมาะสมก็เป็นความชื่นบางแก่คนคําคําเดียวที่ถูกกาละก็ดีจริงๆสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่ยีสิบพระธรรมตอนนี้บอกกับกับเราเป็นนัยยะว่าคําพูดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและก็สื่ออย่างเหมาะสมนั้นนําความชื่นไม่เกิดขึ้นทั้งกับคนพูดและก็คนที่ฟังบทที่ยี่ิบห้ข้อสิบแปลสิบสอง ค่อยคำที่พูดเหมาะจะเหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงินคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออภรพรทองคำสองข้อนี้เปรียบเทียบคำพูดที่เหมาะสมว่าเป็นเหมือนกับงานศิลปะที่ล้ำล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งอภิรนทร์ครับปัญหาหลายต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเราและก็จริงๆแล้วเกิดขึ้นในบริบทอื่นๆด้วย หลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ดีนะครับแล้วถ้าเราสามารถฝึกฝนทักษะบางอย่างในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเราจะสามารถลดทอนปัญหาเหล่านั้นให้น้อยลงได้แล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิม mm. ก่อนอื่นเราคงย่องทําความเข้าใจก่อนว่าการสื่อสารคืออะไรนะครับการสื่อสารเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งคนนี้มีความคิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับ แล้วเขาต้องการจะสื่อความคิดนี้ไปให้กับคนคนนี้คนคนนี้คิดอะไรบางอย่างอยู่ในความคิดของเขาแต่เขาไม่สามารถเอาสิ่งที่เขาคิดเนี่ยส่งไปให้กับอีกคนหนึ่งได้ดังนั้นเขาจึงใส่รหัสความคิดของเขาเนี่ยออกเป็นเสียงออกเป็นลายเส้นเป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็ถอดความคิดเหล่านั้นออกเป็นเส้นเพื่อจะสื่อสารไปให้กับอีกคนหนึ่ง แล้วถ้าคนคนนี้สามารถจับความคิดของเขาแล้วก็ถอดความหมายออกมาใกล้เคียงหรือว่าตรงกันการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองนั้นแต่ถ้าคนที่เป็นฝ่ายรับไม่สามารถแปลความหมายของเขาได้การสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองสัมภาร ย, ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้าหากเขาเข้าใจผิดอาจจะก่อให้เกิดปัญหาลุกลามไปนะครับ ดังนั้นคนคนนี้มีความคิดใจบางอย่างเขาเห็นผู้เห็นผู้เห็นผู้หญิงคนนี้สวยมากแล้วเขามาจากประเทศญี่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกคนนี้ว่าขี้เหรเนะคนนี้ไม่รู้ว่าขี้เหรเนทคืออะไรนะครับเขารู้แต่เพียงว่าขี้เหรคืออะไรแล้วขาแปลความหมายออกมาว่าคนนี้กําลังติเขาวอยู่แถมมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าคงจะกําลังเยา ะ, ะเยาะเย้ยแต่การสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้น แต่ถ้าทั้งสองแปลความหมายตรงกันสองคนนี้ก็จะจบลงด้วยอย่างอย่างนี้ถ้าการสื่อสารไม่เกิดขึ้นก็จะจบลงด้วยแบบนี้นะครับนะเมื่อไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้นดังนั้นกระบวนการของการสื่อสารเกี่ยวข้องกับคนสองฝ่ายเป็นอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นคนส่งสารแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนถอดความหมายของสารนั้นบายวันนี้ในช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีอยู่ ผมอยากจะแบ่งปันลักษณะ5อย่างด้วยกันของการสื่อสารที่ดีแล้วถ้าเราเอาลักษณะทั้งห้าอย่างนี้ไปฝึกนะครับจนกลายเป็นสัญชาตญาณที่สองของของเราเราจะพัฒนาทักษะในการสื่อสารไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในครอบครัวเท่านั้นแต่จะเป็นประโยชน์ใน บ, ในบริบทอื่นๆด้วยลักษณะประการที่หนึ่งของการสื่อสารที่ดีก็คือ การสื่อสารที่ดีต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจของคนฟังนะครับง่ายต่อการทำความเข้าใจของคนฟังและการที่สาคัญตรงนี้ก็คือยิ่งเราพูดง่ายเท่าใดโอกาสที่เราจะถูกเข้าใจผิดก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นในด้านตรงกันข้ามยิ่งเราพูดอ้อมค้อมมีความหมายซ่อนเร้นสองแง่สองงามมากเท่าใดโอกาสที่เราจะถูกเข้าใจผิดก็จะยิ่งมีมาก เป็นเงาตามตัวตอนนี้ผมต้องการใครสักคนหนึ่งออกมาข้างหน้านี้เพื่อจะช่วยผมนะครับปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับผู้อาวุวโสในครอบครัวก็เราได้คนที่เป็นวัยรุ่นในครอบครัวก็โอเคนะครับมีใครอยากจะขันอาสามาช่วยผมไหมครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ <laughs> มีมีใครขันศึษาไหมครับอโอเคขอบคุณมากเชิญครับให้เราปร บ, บมือให้น้องคนคนนี้หน่อยชื่ออะไรนะครับชิกฤร์ครับชิกฤรเป็นสมาชิกที่เกิดจากนี้ไหมครับใช่ครับดีมากนะครับผมอยากให้กริดอ่านสิ่งที่จะได้เห็นต่อ อ, อ, อ่านเนื้อหาที่ที่ตรงนี้ พวกเราที่อยู่ไกลออกไปอาจจะต้องดูที่จอนะครับกืจะอ่านให้เราฟังนะครับและ น, น, นี่นี่เป็นเจ้าเจ้าที่คนหนึ่งของบริษัทถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลเรื่องรายงานการประเมินผลของนายวันวันอะไรนะครับ อ, อย่าถามว่านาม ส, สกุลอะไรนะครับเอาเป็นมาชื่ออย่างนั้นท่านโอเคช่วยอ่านให้เราฟังนะครับโอเคครับถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลเรื่องรายงานการประเมินผลงานนายวันเฉลิม ในช่วงระหว่างทดลองงานในวันเฉลิมเป็นพนักงานที่เอาแต่ทํางานเขาสามารถทํางานอย่างมีความรับผิดชอบไม่เคยใช้เวลางานไปทําเรื่องส่วนตัวและพูดคุยโทรศัพท์เขาไม่เคยลังเลที่จะช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงานในขณะที่เขายังสามารถทํางานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ทันเวลาเขาจะใช้เวลาเกินเวลางานเพื่อทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น โดยถึงกับจะไม่ไปพักทานข้าวกลางวันอยู่บ่อยครั้งในวันเฉลิมเป็นพนักงานที่ไม่มีความเย่อหยิ่งถือตัวถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรฐานที่สูงมากในความรู้ในสาขาที่เขาได้ร่ำเรียนมาผมเชื่อว่าในวันเฉลิมไม่มีจุดด้อยใดๆบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราผมขอแนะนาว่า เราควรจะเลื่อนขั้นให้เขาเป็นผู้บริหารทั้งนี้การดำเนินการนั้นควรจัดการให้เร็วที่สุดครับ อ, อย่าเพิ่งไป <laughs> นะครับถ้าหากเราอ่านอ่าน e mail, อีเมลชิ้นแรกที่เขาส่งไปให้กับอบอสของเขาเราคงจะรู้สึกว่าการประเมินผลนี้เป็นบวกเป็นอย่างมากแต่ปรากฏว่าหลังจากส่งอ e ีเมลชิ้นแรกไปแล้วมีอ e ีเมลชิ้นที่2ตามหลังมาว่า เรื่องรายงานการประเมินผลในวันเฉลิมเพิ่มเติมอย่าเพิ่มไปนะครับตอนผมเขียนรายงานการประเมินในวันวันวันในวันเฉลิมมายืนอยู่ข้างหลังผมไล่ยังไงก็ไม่ไปรายงานการประเมินขอให้อ่านเฉพาะบรรทัดเวน้นบรรทัดนะครับโอเคตอนนี้อ่านใหม่นะครับบรรทัดเวน้นบรรทัด ในช่วงระหว่างทดลองงานในวันเฉลิมเป็นพนักงานที่เอาแต่ใช้เวลาไปทําเรื่องส่วนตัวและพูดคุยโทรศัพท์เขาไม่เคยทํางานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ทันเวลาเขาจะใช้เวลาเกินเวลาพักทานข้าวกลางวันอยู่บ่อยครั้งในวันเฉลิมเป็นพนักงานที่ไม่มีความรู้ในสาขาที่เขาได้ร่ำเรียนมาผมเชื่อว่าในวันเฉลิมไม่มีประโยชน์ต่อบริษัทของเราผมขอแนะนําว่าเราควรจะจัดการให้เร็วที่สุดครับ ขอบคุณมากปรบมือให้กับน้องของเรานะครับไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแต่งเรื่องเอาเรื่องนี้ขึ้นแต่เรื่องนี้เนี่ยแต่งมาเพื่อจะสื่อความหมายว่าบางครั้งเราสื่อความหมายสองแง่สองแงามีมนัยยะมีความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่แล้วก็เราคิดว่าคนที่ถอดความเนี่ยสามารถถอดความอ น, นันได้แต่เหมือนกับในตัวอย่างที่เราอ่านไปนี้ถ้าเขาส่งอ e ีเมลชิ้นแรกไปแล้วก็ไม่ได้ตามด้วยชิ้นที่สองที่ขยายความ บอสของเขาจะไม่มีวันที่จะทำความเข้าใจว่าอะไรคือประเด็นที่เขาต้องการสื่อดังนั้นเรื่องนี้ฟังดูมันตลกมากนะครับแล้วก็ในชีวิตจริงอาจบางทีจะไม่มีใครทำอย่า ง, างนั้นแต่ว่าประเด็นนั้นสื่อได้ค่อนข้างกระจ่างในครอบครัวในบางครั้งเราสื่อในลักษณะคล้ายๆกันเราไม่ได้พูดตรงไม่ได้พูดชัดแล้วก็คนที่ฟังเราก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่เราต้องการสื่อนั้นคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น คนที่เป็นสามีบอกพรรย า, ยาว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรดีพรย า, ยาบอกว่าอะไรก็ได้สามีบอกถ้า ง, งั้นเราก็ไปกินที่ร้านอาหารที่เทสโก้โลตัสก็แล้วกันที่ศูนย์อาหารที่นั่นพรย า, ยาบอกว่าเออไม่เอาอะเทสโก้โลตัสที่นั่นอาหารทํามาตั้งแต่เช้าแล้วก็วอร์มหลายครั้งด้วยกันไม่อร่อยถ้า ง, งั้นเราจะกินอะไรดีอะไรก็ได้ถ้า ง, งั้นเราไปกินที่ฟูจิดีไหมไม่ดีอะ อาหารญี่ปุ่นไม่มีรสรสรสชาติไม่อร่อยเลยไม่เอาอะ่ะถ้างั้นเราจะกินอะไรดีอะไรก็ได้นะครับฟังดูคุ้นคุ้ไหมค้นคุ้นเนาะ <c oughs> นะครับอย่างน้อยคนที่ฟังเนี่อรู้ก็รู้นะครับว่ามีอะไรที่เขาไม่ไม่ต้องการที่จะทานบ้างและแต่แทนที่จะสื่อให้กับคนที่ถามเพื่อจะสามารถเกิดความเข้าใจที่ตรงตรงกัน เขากลับปล่อยอันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่กำกวมไปนะครับแล้วก็การสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้นเพื่อให้คนฟังเกิดความเข้าใจได้ง่ายเวลาที่เราสื่อสารหรือว่าเราพูดเราต้องคํานึงถึงคนฟังเป็นหลักนะครับแล้วก็ปรับถ้อยคำของของเราปรับสิ่งที่เราต้องการพูดให้อยู่ในระดับที่คนฟังสามารถเกิดความกระจ่างเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เราต้องการจะบอกกลับกับเขาลักษณะประการที่สอง ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับหลักการตรงนี้ก็คือว่าเนื้อหาของการสื่อสารที่เป็นไปตามความเป็นจริงจะเป็นเครื่องตัดสินประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นๆการสื่อสารที่ตรงตามความเป็นจริงจะช่วยเราแก้อุปสัคป้องกันอุปสรกสองประเภทด้วยกันที่เกิดขึ้นบ่อยๆในการสื่อสาร อปสักอย่างแรกก็คือการพูดแบบครอบจั ก, กรวาลการพูดแบบเหวี่ยงแห generalization นะครับการพูดประเภทที่เหมือนกับคลุมไปหมดนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้เกิดข้อยกยกเวงคำพูดที่มักจะมีคำว่าเสมอคำว่าทุกทีคำว่าทุกครั้ง เกือบจะทุกๆครั้งที่คําพูดนั้นมีคําเหล่าานี้ประกอบอยู่หรือคําที่คล้ายคลึงกันประโยคนั้นจะกลับกลายเป็นประโยคครอบจักรวาลประโยคนั้นจะกลับกลายเป็นประโยคที่ไม่ได้เป็นความความในเป็นความจริงในทุกๆครั้งยกตัวอย่างเช่นคุ น, นพูดไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้ทั้งชาติไม่เคยยอมฟังใครทั้งนั้นเลิกกันทีถ้าคนที่เป็นพยาของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยยอมฟังใครพูดไม่เอรู้เรื่อง แล้วสองคนนี้แต่งงานกันในครั้งแรกท่านได้ยังไงนะครับแต่คำพูดประเภทนี้ใครๆก็บอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นเธอนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็สายเสมอสวยเสมอโอเออยู่ได้แล้วพอใช้คำว่าเสมอก็มีความหมายว่าทุกครั้งเป็นอย่างนั้นเธอไม่เคยฟังคาพูดของผมเลย ผู้ผู้หญิงทุกคนเป็นคนเจ้าอารมณ์จริงไหมครับจริงไหมครับข้างหน้านี้สายสายหน้าว่าไม่เป็นความจริงนะแต่แต่บางครั้งนี่เป็นคําพูดที่ออกมาจากริมพิปากของผู้ชายคนที่บอกว่าผู้หญิงทุกคนเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปคุยกับผู้หญิงมาทั้งหมดกี่คนด้วยกันโลกปัจจุบันนี้มีประชากรที่เป็นชายและหญิงอยู่ประมาณมากกว่าเจ00ล้านคน แล้วผู้หญิงมีมากกว่าสามพันห้ารอยล้านคนคนนี้ไปคุยกับผู้หญิงมาทั้งหมดหรือเจอผู้หญิงมาทั้งหมดกี่คนด้วยกันอาจบางทีจะสามสี่ิบคนแล้วสามี่คนที่เขาเจออาจจะเจอบางาบางคนที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษแล้วจากประสบการณ์ที่จำจากัดตรงนั้นเขาเหวี่ยงแหเลยนะครับว่าผู้หญิงทุกคนเป็นอย่างนี้และนี่เป็นประโยคที่ไม่มีทางที่จะเป็นความจริงในทุกๆครั้ง ฝ่ายพวกเราที่เป็นชายก็ไม่ย่อยนะครับพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะครับคุณไม่เคยตรงเวลาสักทีผู้ชายทุกคนชอบวางอำนาจจริงไหมครับจริงไหมครับฮัลโหลทุกคนยังอยู่ไหมครับทุกคนยังอยู่เนา ะ, <laughs> อ, ะอะไรก็แต่ที่เราสื่อในห้อ ง, องนี้จะจบที่ห้องนี้ผมจะไม่เล่าให้ใค ร, ใครฟังที่บ้านขอ ง, ขขขของท่านพี่น้องนะครับปลอดภัย แต่คนที่เป็นชายก็อย่าลุกขึ้นมาทวงติงนะครับว่านี่ไม่เป็นความความจริงอาจจะมีชายหลายคนที่เป็นอย่างนั้นแต่จะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เป็นอย่างนั้นคุณไม่เคยทำอะไรเสร็จสักอย่างนี่เป็นคำพูดที่ผิดแน่นอนนะครับคนนั้นจะเกียดค้านเพียงใดแย่เพียงใดก็แล้วแต่เขาเคยทำอะไรบางอย่างที่เสร็จสิ้นลงนะครับคุณนี่ไม่เคยเข้าใ จ, ฉ, าใจ ฉ, ฉันเลยคนอย่างคุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรอก แล้วก็อวยพรแบบนั้นเนี่ยบ่อยๆในที่สุดก็จะเป็นไปสมพรมปากของเรานะครับการพูดตรงตามความเป็นจริงจะช่วยป้องกันเราเนี่ยจากการพูดในลักษณะอย่างอย่างนี้เป็นลักษณะของการครอบจั ก, กรวาลลักษณะของการเวี่ยงเวี่ยงแห่และเราพูดในกรณีนั้นๆที่เรากําลังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็พูดเฉพาะกรณีนั้นไม่เวียงแห่ออกไปยังส่วนอื่นอปุปสรรคประการที่สองนะครับที่ ที่กรรมการพูดตรงตามความเป็นจริงจะช่วยป้องกันก็คือการพูดตามอารมณ์เวลาคนพูดตามอารมณ์ของตนในเวลานั้นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือการลามปลามการพูดเกินกว่าความเป็นจริงและก็บางทีก็หลงประเด็นเลยนะครับลองพิจารณาเรื่องนี้ดูต อ, อตอนุตอน่ตอนตอนตอนเช้าสามคนที่เป็นสามีกำลังจะขับรถออกไปทำทำงาน พยาก็บอกสามีว่าวันนี้เราจะไม่ทําอาหารเย็นช่วยซื้อไก่ย่างห้าดาวแล้วกลับมาหน่อยเราจะกินไก่ย่างห้าดาวเป็นอาหารเย็นแนะสามีก็พงกศีรษะรับปะขับรถออกไปยังออฟฟิศพอไปถึงที่ออฟฟิศเนี่ยปากร่าวันนั้นมีปัญหาที่ออฟฟิศเยอะมากแล้วก็สามีก็ขบปัญหาเหล่านั้นตั้งแต่เช้าจ น, จนจรดเย็นตอนจะกลับกลับบ้านสามีก็แพ็กเอกสารบางอย่างลงไปในกระเป๋านะครับแล้วก็เดินไปขึ้นขึ้นรขับรถไปก็คิดถึงปัญหาไป เพราะฉะนั้นสามีก็ลืมไก่ย่างห้าดาวพอกลับไปถึงบ้านขับเข้าไปจอดในที่จอดรถเปิดประตูบ้านเข้าว อ, อไปพยานั่งรออยู่ที่โซ อ, อฟาพยาถามไก่ย่างห้าดาวอยู่ที่ไหนไก่ย่างห้าดาวไก่ย่างห้าดาวอะไรจําได้ไหมว่าตอนเช้าฉันบอกว่าเย็นนี้เราจะไม่ทําอาหารเราจะกินไก่ย่างห้าดาวเป็นอาหารเย็นเธอบอกอย่างนั้นเหรอ ใช่สิจำได้ไหมตอนเธอแปลงฟันอยู่หลังบ้านฉันบอกเธอทีหนึ่งตอนเธอกำลังเก็บของใส่กระเป๋าฉันบอกเธออีกทีหนึ่งตอนเธอกําลังอยงขึ้นรถฉันบอกเธออีกทีหนึ่งแล้วเธอพังกศซิสะทั้งสามครั้งโอ้ใช่ใช่ใช่ใชใ ช, ใช่จำได้ละจําได้ละเธอบอกอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ใชช่จำได้ไก่ ย, ยังห้าดาวแน่นอนสิไก่ ย, ยังห้าดาว มีก่ย่างตาช้างเหยียบลูกอะลูกโลกด้วยเหรอตอนนี้อารมณ์ของภรยาไปแล้วนะครับภ ร, รยาเริ่มโกรธแล้วนะครับเขาเป็นสามีมอโอ๋ขอโทษทีจริงๆเลยวันนี้ที่ออฟฟิศมีปัญหาเยอะมากผมคบปัญหาตลอดเลยแม้ทั้งตอนขับรถกลับมาก็คบปัญหาด้วยเช่นเดียวกันผมลืมก่ย่างห้าดาวไปสนิทเลยตอนนี้ภรยาไล่ยาว เ, เ, เลยเลยนะครับพอภ ร, ย า, รายาไ่ายาวไปสักพักพักหนึ่ง อารมณ์ของสามีที่ติดอยู่กับปัญหาของงานอยู่แล้วมาเจอแบบนี้ก็ยิ่งปั่นป่วนนะครับแล้วสามีก็ลุกขึ้นบอกพยาว่าเธอเนี่ยชอบบนนิสัยไม่นิสัยไม่ต่างไปจากแม่ของเธอเลยผู้หญิงก็สวนกลับเลยนะครับว่าแล้วแม่ของเธอดีนักเหร อ, เ, อเรื่องนี้เริ่มต้นที่ไหนนะครับกั้งห้าดาวแล้วไปจบลงที่ไหนที่แม่ จบลงที่แม่เพราะว่าผมหยุดอยู่แค่นั้นนะครับความจริงไปหลังจากนั้นมีอย่างอื่นอี ก, อกจบลงที่คนที่เป็นแม่ระหว่างไก่ย่างห้าดาวกับคุณแม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันกันไหมไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนี่ก็ก็คือการพูดลา ม, ลามพูดลามปาลามนะครับเป็นการพูดไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตนในเวลานั้นเวลาพูดลามปลาลมก็มักจะพูดเกินกับความเป็นจริงแล้วคุยกันไปคุยกันมาก็หลงประเด็นนะครับ ไม่รู้ว่าประเด็นที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือคืออะไรอักขรูดเปาโลแนะนำเราในเอเฟซัสบทที่4ข้อหําคำแนะนำที่ดีกว่ามากเปาโลแนะนำเราที่นั่นว่าให้เราพูดความจริงด้วยความรักความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความเท็จมาเป็นน้ำมันล่อลื่นเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนแอนะครับเพราะว่าวันใดที่มันเจอกับความจริง มันจะไม่สามารถยอมรับหรือว่าทานทนได้ดังนั้นความสมานิ้มแข็งต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่ว่าความจริงแหลมคมด้วยสาเหตุนี้เวลาพูดความจริงจึงต้องพูดโดยการห่อหุ้มด้วยความรักแล้วความจริงที่สื่อด้วยความรักก็จะสื่อออกมาผ่านทางสีสทง ท, ง, ทงสีหน้าประกายตาอากับกิริยาของคนคนนั้นนาเสียงที่คนนั้นกาลังพูดอยู่ เราสื่อกับอีกคนหนึ่งในครอบครัวของเราไม่ใช่เพื่อจะทาทําร้ายอีกคนหนึ่งนะครับสิ่งที่เราสื่อเราต้องการสื่อให้เขาเกิดความเข้าใจที่ตรงตรงกันเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อกับเขาอย่างถูกถูกต้องดังนั้นแทนที่เราจะพูดไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็จับความสนใจอยู่ที่ข้อบกพร่องของคู่สนทนาของของเราเราน่าจะทําสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า i message นะครับ เป็นการสื่อสารด้วย จ, จับจุดรวมเนี่ยอยู่ที่ตัวของเราเองแต่ยกตัวอย่างหนึ่งเช่นเวลาผมคุยกับกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาพูดอะไรบางอย่างที่ผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจแล้วพอผมฟังไม่เข้าใจผมผมตอบรับด้วยกันบอกว่าพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคำพูดแบบนี้จับความสนใจอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่คู่สนทนาของของเราแล้วจุดที่เราชี้ลงไปเป็นแสปอตไลท์สองมมไปก็คือข้อบกพร่องของเขาพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดคุกคามนะครับเพราะเราพูดคำพูดคุกคามปับ๊บอีกฝ่ายหนึ่งพอรู้สึกถูกคุกคามเขาก็ ล, ลุกขึ้นมาปกป้องตนเองนะครับแล้วนั่นแหละครับเริ่มต้นการประทะระหว่างบุคคลทั้งสองนั้น แทนที่เราจะสื่อด้วยการจับความสนใจอยู่ที่ข้อบกพร่องของคู่สนทนาของของเราเราน่าจะสื่อโดยการจับจุดรวมของความสนใจอยู่ที่ตัวของเรายกตัวอย่างเช่นในกรณีอย่างเดียวกันแทนที่จะพูดอย่างนั้นผมสามารถพูดใหม่ได้อย่างอย่างนี้ว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะอธิบายให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะครับเมื่อบอกว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจแสงสปอตไลท์ส่งกลับมาที่ตัวผม แล้วถ้ามีข้อบกบกพร่องใดๆที่เกิดที่เกิดขึ้นในการสื่อสารนั้นข้อบกบกพร่องนั้นอยู่ที่ตัวของผมไม่ได้อยู่ที่ตัวของคนที่ผมกําลังสื่อสารด้วยอันนี้เ ป, นเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้นะครับแล้วพอฝึกฝนแล้วการสื่อสารของเรากับคนอื่นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วถ้าหากเราเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังฟังคนคนนั้นพูดอยู่นั้นเราเข้าออาใจถูกต้องไหมเราสามารถถาม กลับไปนะครับเพื่อจะตรวจสอบดูความเข้าใจเนี่ยของของเราย้อนหลังกลับกากลับไปเมื่อเมื่อหลายปีก่อนตรงนี้เป็นอุ ด, ดมสุขนะครับสุขวิทหนึ่งสแล้วก็นี่เป็นถนนสีนัครินแล้วก็เดี๋ยวผมดูอ่ะนี่เป็นสุขุมวิท เลยอ่าเลยขึ้นมาที่ตรงนี้เป็นสี่คอนย้อนนะหลังกลับไปเมื่อหลายเวะหลายปีก่อนลูกสาวของผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคากำแพงนะครับมหาวิทยาลัยที่เก่งอนิติศาสตร์เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย <c oughs> ลูกสาวของผมเรียนอยู่ที่รามคาแหงรามหนึ่งนะครับแล้วก็เย็นวันหนึ่งลูกสาวโทรมาบอกภรรยาว่าเขาจะนั่งรถประจาทางมาลงที่สี่คอนแล้วเขาจะขอก นั่งรถของเราเนี่ยกลับกลับกลับบ้านตอนนั้นโรงเรียนพระคัซซัมที่ผมรับาที่ผมรับาที่ผมรับใช้อยู่ที่สุขมุมวิทหนึ่งร 103, ชื่อพระคัซซัมเพนเดคอสดังนั้นตอนที่ขับรถออกมาจากโรงเรียนพระคำภีผมก็าถามภรรยาว่าลูกสาวจะรอเราอยู่ที่ฝั่งนี้หรือฝั่งโนนชัดเจนไหมผมว่าชัดนะผมว่าชัด ลูกสาวจะลงที่สี่้อนเขาก็ต้องเดินขึ้นมาที่แยกนี้ถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้เราขับรถข้ามที่ตรงนี้ไปผมก็ถามว่าลูกสาวจะคอยเราอยู่ที่ฝั่งนี้หรือฝั่งโนนชัดเจนไหมครับชัดเจนและไม่มีทางที่ใครจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้นะครับภรรยาบอกว่าลูกสาวจะคอยเราที่ฝั่งนี้แต่ข้างโนน คอยเราที่ฝั่งนี้แต่ข้างข้างโนนแต่พอผมได้ยินผมก็แปลกใจว่าพญยาหมายความว่าอะไรผมก็ถามบอกว่าหมายความว่าอะไรคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเวลาผมบอกว่าข้างนี้หรือข้างโนนนั้นพยายเข้าเข้าใจว่าเป็นข้างนี้ของซอยลอยสาหรือข้างโนนของซอยลอยสาดังนั้นภรรยาบอกว่าข้างนี้แต่ฝั่งโนนก็คือใช้คำพูดที่ต่างกันแต่หมายถึง สิ่งเดียวกันเราบอเช็คดูแบบนั้นก็รู้นะครับว่าเรามีความเข้าอาใจตรงกันว่าลูกสาวจะคอยเนี่ยอยู่ที่เดที่ ท, ที่ที่ตรงไหนมีอ่ามีวันหนึ่งอ่าภรรยาของผมแต่เดิมเป็นคนสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นคนไทยละเพราะว่ามีสัมีสัญชาติไทยวันหนึ่งผมกับลูกกําลังนั่งอยู่ในห้องแล้วภรรยาก็เข้ามาในห้องแล้วก็บอกผมกว่า daddy ภรรยาเรียกผมว่า daddy นะครับ และที่ชิบหายลูกชายลูกสาวแล้วก็ผมหยุดไปเลยนะครับกับเรื่องที่กำลังคุยอยู่อ่เงยอ่เงยอ่เงยหนะ้าดูภรรยาของผมหรือแม่ของพวกเขานะครับแล้วทุกคนก็แปลกใจเป็นอย่างมากที่บ้านผมเราไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาของพ่อคุณคุณรามในการสื่อสารภายในใ น, ในบ้าน วันนั้นเนี่ยผมคิดว่าพยาของผมซึ่งเป็นคนสิงคโปร์เรียนภาษาไทยลึกถึง ข, ขนาดนั้นนะครับย้อนยุคกลับไปถึงยุคของพ่อคุณคุณรามพยาเดินเข้ามาแล้วบอกแด้ดดี้ชิบหายแล้วหลังจากที่หายตกตะลึงแล้วผมก็าถามผัดภรรยาว่าหมายความว่าอะไรถามไปถามมาก็ได้ความว่าภรรยาถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแล้วโทรศัพท์มือถือหลุดจากมือตกลงไปที่พื้น แล้วก็ชิปตัวเล็กๆที่อยู่ในในโทรศัพท์มือถือเนี่ยกระเด็นออกมาแล้วไม่สามารถหาชิปตัวนั้นเจอชิปหายแปลว่าชิปไม่อยู่แล้วนะครับนะชิปหายแปลว่าชิปไม่อยู่อยู่แล้ว <c oughs> พอภรรยาเล่าให้เราฟังว่าเขาหมายความว่าอะไรในคำในคำพูดนั้นผมกับลูกก็หัวเราะลูกชายเนี่ยหัวเราะจะนั่งลงใบหงายอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้กลับกลายเป็นโชค ที่ที่เราเล่าสู่กันฟังเนี่ยภา ย, ยในครอบครอบค ร, อบรัวแล้วก็ในบรรดาพี่น้องที่อยู่ในเผ่าโมทนาพรคุณ น, นะครับดังนั้นลักษณะประการที่สองของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือต้องตรงตามความเป็นเป็นจริงแล้วเมื่อเราสื่อสารตรงตามความเป็นจริงเราก็จะสามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งสองอย่างได้ลักษณะประการที่สของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือต้องสอดคล้องกลมกลืนกันนะครับ เวลาที่เราพูดนอกจากคําพูดที่เปล่งออกมาจากริมฟีปากของเราแล้วเรายังมีสีหน้าตอนที่เรากําลังพูดท่าทางต่างๆตลอดจนั่งน้ําเสียงที่เราใช้ในการเปล่งถ้อยคํานั้นการสื่อสารที่ดีนั้นทั้งสามอย่างนี้ต้องสอดคล้องกลมกื่นกันนะครับเราสื่อสารด้วยคําพูดเจ็เปอร์เซนสื่อสารด้วยน้ําเสียงสาสบแดเซแล้วก็สื่อสารด้วยสีหน้าท่าทาง ห้าสิบห้าอร์เซ็นตนี่เป็นผลจากการวิจัยเก่าชิ้นหนึ่งนะครับที่ยังคงใช้ในการอ้างอิงอยู่จนนั่งถึงปัจจุบันนี้แเราพูดคําพูดประโยคเดียวกันผู้ดได้น้าเสียงที่ต่างต่างกันสามารถสื่อความหมายที่ต่างกันเป็นอย่างมากนะครับนี่เป็นลูกลุงชาของครอบครัวหนึ่งภรรยาบอกษาบอกสามีว่าฉันบอกว่าอารุณอรุนสวัสดเป็นไงบ้างยังปวดหัวอยู่หรือนะสามีตอบว่าครับ ขอกาแฟเพิ่มอีกหน่อยแต่คนที่เป็นสามีฟังไหมครับว่าภรรยากำลังพูดอะไรอยู่ไม่เนาะเขากำลังสนสนใจอยู่กับหนังสือพิมพ์ตอนนี้ภรรยาจะพูดคำพูดประโยคเดิมนะครับแต่น้ำเสียงจะต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก <c oughs> แล้วก็คำพูดประโยคใหม่เนี่ยสื่อถึงอารมณ์ที่ปั่นป่วน ท, ที่พพที่ภรรยามีต่อความไม่เอาใจใส่ของสามีเนี่ยของตนที่โรงเรียน practice ทำ ผมสอนวิชาหลักการเทศนาเป็นครั้งเป็นครั้งคราวแล้วก็ในบางครั้งเราทําอย่างนี้ก็คือนักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกเทศแล้วถ้ า, เ, า, เ, าเรื่องเวลาเอื้ออํานวยให้เราก็เอากล้องวิดีโอไปตั้งไว้ที่ด้านหน้านะครับแล้วนักศึกษาได้มีโอกาสเทศนาต่อนหน้ากล้องวิดีโอหลังจากนั้นเราก็เปิดให้นักศึกษาดูอากัปริยาของตอนเองขณะที่อยู่ที่ทําที่ทํามารนั้น เพื่อเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนนักศึกษาเทศนาว่าฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำนะครับมือของเขาชี้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ําเจ้านี่ช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ํานักศึกษากําลังฝึกเทศนาคําเทศนาประกาศข่าวาข่าวประเสริฐที่พูดถึงความรักของพระเจ้าแล้วเขาบอกกับคนฟังว่าพระเจ้าทรงรักรักคุณ แล้วก็ชู ก, กําปั้นแจกให้กับคนที่กํลังฟั ง, ฟงกลังฟังอยู่นะครับอักกักรคยาต่างๆที่เขาทำเหล่านั้นไม่สอดไม่สอดคล้องกับเมสเซจที่เขาต้องการจะสื่อไปยังคนที่ฟังอยู่นั้นและการสื่อสารที่ดีนั้นทุกอย่างเหล่านี้ต้องสอดคล้องกลมกืนไปในทิศ ท, ทางเดียวกันนะครับถ้าหากคำพูดของเราพูดอย่า ง, างพูดอย่างอย่างหนึ่งแต่สีหน้าท่าทางของเราบอกอีกอย่างอย่างหนึ่ง ก็จะเกิดความขัดแย้งในการสื่อสารของของเราคนฟังอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามจะปกปิดอะไรบางอย่างหรือไม่เราก็ไม่ไม่มีความจริงใจในไม่มีความจริงจริงใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อให้กับคู่สนทนาของของเราพวกเรากี่คนเคยกินเคกอะเค้กโอ๊ตประเภทนี้บ้างครับ ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ2ี่สิกว่าปีก่อนผมลงไปทาอะไรบางอย่างที่สิงคโปร์แล้วก็ในรอบนั้นผมแวะไปพักอยู่ที่บ้านของคุณพ่อตาเนี่ยของผมนะครับแล้วก็ตอนเช้าของวันแรกตื่นขึ้นขึ้นมาคุณพ่อตาของผมเนี่ยทำควักเกอร์โอ๊ตแบบนี้นะครับใส่นมข้นแล้วก็ตามมาด้วยไข่อีกสองสองฟองอาหารประเภทนี้เป็นอาหารที่สุดยอดนะครับ สิบห้าปีกินรอบหนึ่งก็พอแล้วนะครับสุดยอดมากเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์นะครับแต่ว่ารสชาติของมันไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆแล้วันนั้นคุณพ่อรอตาของผมตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำมาให้ผมทานเนี่ยชามใหญ่เสร็จแล้วพอผมเห็นเนี่ยผมผมผมผ ม, ผมลืมมันไปแล้วตั้งตั้งแต่ตอนอายุ ป, ประมาณ8ปดกขวบนะครับวันนั้นเจอเป็นครั้งครั้งแรก หลังจากโมทนาขอบคุณพระเจ้าแล้วผมก็กินพราะกินไปได้สักพักหนึ่งแล้วคุณพ่อตาของผมก็แวะมาแล้วก็ถามบอกว่าอร่อยไหมอตอบปัญหาศาสนาง่ายกว่าตอบคําถามข้อนั้นมากเลยนะครับพ่อตาถามบอกว่าอ ร, อร่อยไหมแล้วผมก็อึ้งไปไม่รู้ว่าจะตอบคําถามนั้นอย่างไรดีสักครู่หนึ่งแกก็ถามใหม่ไม่อร่อยเหรอ โอ้ตอบยากยิ่งกว่าคำตอบแรกอ ย, ยิ่งกว่าคำคำถามแรกอีกแล้ ว, แ ล, วแล้วผมก็อึดอักมากนะครับผ ม, ผมก็พงศ์ศิลป์บอกก็ก็ก็อร่อยก็อร่อยเสียงของผมกับหน้าของผมมันไม่สอดไม่สอดคล้องกบกืนกันนะวันนั้นผมทานจนหมดทั้งชามรุ่งขึ้นคุณพ่อตาทำชามใหญ่ยิ่งกว่าเดิมอีกผมเดาว่าท่านคงอยากจะเช็คนะครับว่าว่า ว่าจริงๆมันอร่อยไหมแต่ชามของวันรุ่งขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าวันแรกอีกอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่สวันที่สผมตื่นก่อนพ่อตาของผมตื่นแล้วออกจากบ้านตั้งแต่ท่านไม่มีโอกาสเข้าครัวนะครับก่อนที่ท่านจะมีโอกาสได้เข้าไปทําอะไรที่ในครัวนั้นผมเกรงว่าในวันที่สามจะกลับกลายเป็นหนึ่งหม้อใหญ่นะครับจริงๆปัญหาเรื่องนี้แก้ยากไหมแก้ไม่ยากพูดความจริงด้วยความรักนะครับ ผมสามารถบอกท่านว่าขอบคุณมากเลยที่ตื่นตั้งแต่เช้ามืดขึ้นมาทำอาหารที่เป็นประโยชน์มากนี้ให้ผมผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับน้ำใจแล้วก็ความเป็นห่วงของคุณพ่อนะครับแต่ว่า น, นี่ไม่ใช่เป็นอาหารประเภทที่ผมชอบนะครับและดังนั้นคงไม่ต้องทำอีกนะครับคุยกับท่านด้วยน้ำน้ำเสียงดีๆอย่างอย่างนั้นแล้วถ้าสื่อแบบแบบนั้นท่านก็จะรู้นะครับแล้วก็จะไม่ต้องไปทำในวันที่สองเนี่ยให้ให้ผมทำ นในลักษณะนั้นแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกยากในการสื่อสารเนี่ยกับท่านอีกและการสื่อสารที่ดีนั้นจึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกันทั้งถ้อยคําที่ออกจากริมพิ ป, ปาตของเรานํำเสียงที่ใช้ในการสื่อตลอดจนทั้งอาสีหน้าท่าทางต่างๆลักษณะประการที่เที่สของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีความรับผิดชอบ หลักการที่ตรงนี้ก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งคนพูดและคนฟังต่างมีความรับผิดชอบในฝ่ายของคนคนพูดผมถือว่าการทำให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นความรับผิดชอบของคนพูดถ้าผมซึ่งเป็นพ่อพูดอะไรบางอย่างให้กับลูกแล้วลูกไม่สามารถเข้าใจผมผมได้ แม่ลูกจะพยายามตั้งใจฟังแล้วความผิดไม่ได้อยู่ที่ลูกนะครับความผิดอยู่ที่ตัวของผมผมไม่ต้องเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ใช้คำใหม่ใช้ตัวอย่างประกอบใหม่เพื่อจะช่วยให้ลูกเกิดความเข้าออใจที่กระจ่างขึ้นถ้าหากผมเป็นอาจารย์สอนพระคริสตธรรมอยู่แล้วก็สอนภาษาภาษาสกให้กับนักศึกษาอธิบายวยากรให้พวกเขาเกิดความเข้าออใจ แล้วนักศึกษาตั้งใจฟังแล้วก็ยังไม่เข้าออใจสิ่งที่ผมต้องการสื่อความผิดไม่ได้อยู่ที่นักศึกษาความผิดอยู่ที่ผมนะครับผมอาจจะต้องขยายความเรื่องนั้นใหม่ยกตัวอย่างที่แตกต่างกันใช้ถ้อยคําใหม่ในการสื่อความหมายให้พวกเขาเกิดความกระจ่างขึ้นความรับผิดชอบเบือ้องความรับผิดชอบเบื้องต้นในการสื่อสารจึงตกอยู่กับคนที่พูดที่ต้องช่วยคนฟังเกิดความเข้าออใจที่ถูกต้องในฝ่ายของคนฟังนั้น คนฟังต้องตั้งใจฟังนะครับต้องตั้งใจฟังแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตนกำลังรับรู้อยู่การตั้งใจฟังหมายความว่าเมื่ออีกคนหนึ่งพูดเราต้องหยุดคิดนะครับว่าพอเขาพูดจบเราจะพูดอะไรเพราะว่าถ้าคุณคิดไปพร้อมๆกันกับขณะ ท, ที่คนคนนั้นพูดจะมีเสียงสองเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันเสียงหนึ่งคือเสียงที่หูของคุณได้ยิน อีกเสียงหนึ่งคือเสียงที่คุณกำลังคิดอยู่ข้างในนี้แล้วเสียงที่คิดอยู่ข้างในนี้ลบกวนสิ่งที่หูของคุณได้ยินในเวลานั้นตั้งใจฟังมีความหมายว่าให้ความสนใจหนึ่งรเอร์เซนตกับสิ่งที่คนคนนั้นพยายามที่จะสื่อ น, นะครับตั้งใจฟังหมายความว่าเราไม่ด่วนสรุปเร็วจนเกินไปแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คนนั้นพูดอาจจะเหมือนกับว่ากาลังกระทบถูกตัวเรานะครับ ตั้งใจฟังจะตั้งได้ใจได้ใจความที่กระจ่างก่อนตั้งใจฟังมีความหมายว่าเราไม่ด่วนปกป้องตัวของเรานะครับหรือจู่โจมคู่สนทนาของเราเราพยายามจะทําความเข้าออใจสิ่งที่เขาต้องการที่จะบอกเราในายะกอบบอกเราในบทที่หนึ่งข้อที่1ิบสของจดหมายที่ท่านเขียนว่าให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรบนะครับ ตั้งใจฟังแล้วเมื่อฟังจนเรเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราจะมีโอกาสในการพูดเพื่อจะสื่อสารกับคนคนนั้นด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องการความรับผิดชอบจากคนทั้งสองฝ่ายคนที่พูดพยายามช่วยอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเข้าใจแล้วก็คนที่ฟังพยายามที่จะทําความเข้าใจที่สิ่งที่อีกคนหนึ่งต้องการจะสื่อสารกับเขาสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพลักษณประการที่5ก็คือมีความไว้วางใจระหว่างบุคคลที่สื่อสารกันถ้าคนที่สื่อสารกันไม่มีความไว้วางใจการสื่อสารในระดับลึกจะไม่เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้นจริงไหมครับว่าเราพูดกับใครลึกแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราไว้ใจคนนั้นมากน้อยเพียงใดถูกไหมครับเราจะไม่พูดอะไรลึกๆ ก, กับคนที่เราไม่ไว้วางใจ ทำไมเราถึงไม่พูดอะไรลึกๆเปิดเผยกับคนที่เราไม่ไว้วางใจก็เพราะว่าข้อมูลที่เราเปิดเผยไปนั้นสามารถกับกลายเป็นอาวุธกลับมาทําร้ายตัวของเราได้และเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นที่เราไม่ไว้วางใจจะเอาสิ่งที่เขารู้จากเรานั้นไปทําอะไรเขาอาจจะใช้สิ่งนั้นมาเป็นอาวุธทําร้ายเราเขาจะกับกลายเป็น PR ช่วยเราเป่าประกาศเรื่องนั้นออกไปคนอื่นทราบยิ่งในยุคปัจจุบันที่มี Facebook ด้วยนะครับ ถ้าขึ้นเฟ e บุ๊กไปแล้วเนี่ยเป็นนามาคนทั้งโลกมีโอกาสได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราเปิดเผยกับคนคนนั้นดังนั้นการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลึกเพียงใดนะครับขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้นดร์เฮชนอร์ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านพูดถึงการสื่อสาร5ระดับด้วยกันนะครับการสื่อสารในระดับที่หนึ่งก็คือระดับคาพูดซ้ซซซําก ในระดับนี้เป็นการสื่อสารที่เกิดจากความเคยชินสิ่งที่พูดออกไปนั้นมักจะไม่ค่อยมีความหมายอะไรเป็นพิเศษคาพูดประเภทนี้ก็จะได้แก่คาพูดที่เราเจอกันที่โบสพอเจอกันที่โบสเราทักทายกันว่ายัยงไงนะยังไงครับสวัสดีครับแล้วอะไรอีกสบายดีไหมแล้วเกือบจะโดยอัตโนมันติอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าสบายดีค่ะ ส, สบายดีครับ แล้วบางทีตอบทั้งท้งที่น้ำมูกกาลังไหลยอยู่นะสบายดีครับน้ำมูกไหลยอยู่นั่นนะ่ยตอบโดยอัตโนมัติทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่เสียงตอบนั้นก็มีเสียงไอปะปะนอยู่ที่ข้างข้างในนะประเภทนี้เนี่ยเป็นระดับของคําพูดซ้ำซากนะครับเป็นคําพูดเคยเค ย, เคยชินที่เราพูดไปแล้วก็บ่อยและบ่อยและบ่อยๆครั้งเรามักจะไม่ได้คิดถึงความหมายของของมันในระดับที่สองก็คือระดับของการรายงานข้อเท็จจริงนะเช่นคนหนึ่งบอกอีกคนหนึ่งว่า เธอรู้ไหมว่าการประชุมตอนบ่ายเริ่มตอนบ่ายสองโมงครึ่งตอนนี้เป็นการสื่อแบบมีความหมายมากขึ้นนะครับเพราะว่ากําลังบอกข้อเท็จจริงบางอย่างให้กับอีกคนหนึ่งทราบในระดับที่สมนั้นเป็นระดับของการสื่อสารในระดับของความคิดคนหนึ่งสื่อความคิดไปให้กับอีกคนอีกคนหนึ่งภรรยาบอกกับสามีที่แต่งงานมาสามปีว่าฉันว่าฉันควรจะทํางานด้วยนะเพื่อเราจะมีรายรับเพิ่มขึ้น มาจุนเจือครอบครัวของเรานี่เป็นความคิดของนางนะครับส่วนคนที่เป็นสามีบอกกับกับภรรยาว่าผม ค, คิดว่าภรรยาควรจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็คนที่ออกจากบ้านไปทำทำงานควรจะเป็นสามีเท่านั้นแต่สามีก็จะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันแล้วก็สื่อสารในระดับของความคิดนั้นในระดับที่สนะครับนอร์แมนไรท์พูดถึงการสื่อสารในระดับของอารมณ์และก็ความรู้สึก คนที่เป็นสามีบอกภรรยาว่าพักหลังนี้ผมรู้สึกวิตกกังวลมากเลยกลางคืนไม่สามารถนอนหลับทั้งคืนได้และนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกละนะครับลึกลงไปกว่าระดับของความคิดภรรยาบอกกับสามีว่าฉันว่ารายจ่ายของเราเพิ่มขึ้ น, นเรื่อยๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงแย่และนี้ก็เป็นระดับของความรู้สึกของนางด้วยเช่นเดียวกัน นอนแมนไร้พูดการสื่อสารระดับที่ลึกที่สุดก็คือระดับของการเปิดเผยตามความเป็นเป็นจริงปรากฏว่าคนที่เป็นสามีที่ไม่สามารถนอนหลับได้นั้นเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการโปรโมตหน้าที่การงานใหม่แล้วเขาไม่มั่นมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับความรับผิดชอบเหล่านั้นได้แล้วก็ความรู้สึกไม่มั่นใจตรงนั้นเป็นเหตุทําให้เขาวิตกกังวล แล้วก็รบกวนเขาจนทั้งในเวลากลางคืนเขาไม่สามารถนอนหลับได้เป็นปกตินะครับการสื่อสารจะไปลึกสักแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับของความไว้วางใจระหว่างบุคคลทั้งทั้งสองที่สื่อสารต่อกันแลกกันนั้นนะครับดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถไปลึกๆได้จึงต้องมีความไว้วางใจในระหว่างบุคคลทั้งสองนั้น สมมุติฐานอย่างหนึ่งที่พบในครอบครัวของคนไทยและคนจีนเยอะนะครับก็คือสมมุติฐานที่ว่าถึงฉันไม่บอกเขาก็น่าจะรู้และก็สมมติฐานนี้เป็นปัญหาของอสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมากมายหลายต่อลายครอบครัวด้วยกันสาเหตุก็เพราะว่าสามีมาจากเบื้องหลังชีวิตแบบหนึง่งภรรยาก็มาจากเบื้องหลังชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ต่างกัน พวกเขาโตมาในวัฒนธรรมย่อยที่ไม่เหมือนเหมือนกันการศึกษาก็ต่างกันบุคลิกภาพก็ไม่เหมือนกันวิธีการคิดหาเหตุเหตุผลและคําตอบที่รับการฝึกฝนมาก็แตกต่างกั น, กนด้วยเช่นเช่นกันแล้วพอทั้งสองมาอยู่ด้ว ย, วยกันนะครับบางทีก็สันนิษฐานว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าอะไรควรจะเป็นอะไรแล้วพอไม่ได้สื่อสารความคาดหวังของของอของตนให้กับคู่ของตนเกิดความกระเจิงขึ้น อันนี้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งก่อให้เกิดวิกฤตขึ้นในความสัมพันธ์ความตึงเครียดเกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ33หรือ34ปีก่อนตอนนั้นผมอยู่ที่กัจจจีนแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนนะครับแล้วก็มีมิชชันนารีคนหนึ่งจากจังหวัดนครพานมลงมาที่กัจจจของของเราเขาอยากให้เราขึ้นไปช่วยเขา ประมาณ78วันนะครับที่ไปจัดของเขาสาเหตุก็เพราะว่าเขาพบว่าในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดนั้นที่เขาอยู่มีคนจีนอยู่จํานวนหนึ่งแต่ว่ามิชลีนคนนั้นไม่ไม่สามารถสื่อพระกิติคนด้วยภาษาจีนได้แล้วเขาอยากให้เราเนี่ยไปเยี่ยมครอบครัวของคนจีนเหล่านั้นแล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐเนี่ยกับคนจีนที่อยู่ภายในตัวเมืองผมกับอาจารย์ก็ตัดสินใจที่จะขึ้นไปช่วยเขานะครับแล้วเราก็วางแผนกําหนดวันเวลาแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดนครพนม ผมกับอาจารย์ของผมเนี่ยเป็นคนจีนแต่จิว๋วโตมาในครอบครัวที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าหลังจากถ้าถ้าหากเราถูกเชิญไปเป็นแขกในการทานอาหารที่บ้านของคนของคนอื่นหลังจากทานอาหารเสร็จแล้ววิธีการถือปฏิบัติของเราก็คือเราที่เป็นแขกไม่มีส่วนในการช่วยเก็บบรรดาถ้วยชามต่างๆคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะเป็นคนที่เก็บแล้วยิ่งถ้าเป็นครอบครัวที่มีคนใช้ด้วยแล้วคนใช้จะเป็นคนที่ดาเนินการเรื่องนั้น อันนี้เป็นบอร์ดบทที่ผมกับอาจารย์เติบโตมานะครับดังนั้นพอเราขึ้นไปพักอยู่กับมิทกับมิชชั่นคนคนคนั้นเราก็ทานอาหารเช้าก่อนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐสองวันแรกดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็พอถึงวันที่สภรรยาของมิชชั่นคนนี้ก็ระเบิดอารมณ์ใส่เรานะครับผมกับอาจารย์ก็ตกก็ตกใจมากว่าเราไปทําอะไรเข้าถึงทําให้เข้าโกรธถึงขนาดนั้นแล้วก็ พันยาขอจังเคืองมากโกรธอากโกรธอากโกรธมากทั้งสีหน้าท่าทางต่างๆรอบพุนพันเนี่ยออกไปจากห้องที่เราทา น, ทา น, ทานอาหารและหลังจากนั้นเราก็พยายามทำความเข้าออใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัวนั้นที่แขกที่ถูกเชิญมาทานอาหารจะต้องร่วมมีส่วนในการเก็บบรรดาถ้วยชามต่างๆไปไว้ที่ห้องครัวนะครับการเก็บถ้วยชามไปไว้ที่ห้องครัวจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ โดยคนที่เป็นคนคนคนคนใช้คนที่เป็นแขกเป็นคนที่เก็บพอเราได้รับการบอกเล่าอย่างนั้นเราก็เราก็ถึงบางอ้อ น, นะครับวาเพราะสาเหตุใดเข้าถึงเครืองขนาดนั้นปัญหาเรื่องนี้แก้ยากไหมแก้ยังอ่าแก้ยังไงดีเออใช่เขาบอกเราตั้งแต่วันแรกถูกไหมครับเขาเพียงแต่บอกเราตั้งแต่วันวันแรกว่าทำเนียมปฏิบัติภายในครอบครัวของเราก็ก็คือ ทุกคนที่ร่วมมีส่วนในการทานอาหารเช้าจะต้องร่วมมีส่วนในการเก็บบรรดาถ้วยชามต่างๆไปาวางไว้ที่ห้องห้องครัวแล้วก็ถ้าเขาบอกเราตั้งแต่วันวันแรกเรา ย, ยินดีอย่างมากนะครับที่จะมีส่วนในการทำตามธรรมเนียมปฏิบัติที่อยู่ภายในครอบครัวนั้นแล้วก็การเก็บถ้วยชามไปวางไว้ที่ห้องครัวก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากพี่น้องคนนี้ทาไมถึงไม่ได้บอกบอกเรา อาจบางทีเขาจะคิดเหมือนกับทำเนียมปฏิบัติเรื่องนี้นะครับว่าถึงฉันไม่บอกเขาก็น่าจะรู้เรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าเขาไม่ไบอกผมก็ไม่อะไรู้แล้วพอไม่รู้ก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ของผมผมเองแล้วก็กับคนที่อยู่ภายในครอบครัวนั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะมีการสื่อสารที่มีในระดับลึกมากขึ้นนะครับเราต้องหัดที่จะไว้วางใจคนในบ้านของเรา อย่าทำให้คนในบ้านของเรารู้สึกว่าเขาถูกตําหนิตั้งแต่เขายังไม่ทันพูดอะไรนะถ้าเราทําให้คนในบ้านของเรารู้สึกว่าเขาถูกตําหนิตั้งแต่เขายังไม่ทันพูดอะไรการสื่อสารก็จะไม่สามารถดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับบลายวันนี้ในเดือนแห่งสายแห่งสายใยพ า, ายในครอบครอบครัวผมก็เลยอยากจะแบ่งปันความคิดเหล่านีาาน้นะครับรักษาทั้งห้าอย่างนี้ ถ้าเรานํากลับไปฝึกเรื่อยๆในชีวิตประจําวันในท้ายที่สุดมันจะกลับกลายเป็นสัญชาตญาณของของเราแล้วเราจะสามารถพัฒนาการสื่อสารของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ในที่ทํางานเป็นประโยชน์ในความสัมพันธ์ของกับพี่น้องในครสจักรด้วยการสื่อสารที่ดีจะต้องง่ายต่อการทําความเข้าใจของคนฟังสอดคล้องกลมกลืนกัน ตรงตามความเป็นจริงมีความรับผิดผิดชอบแล้วก็เกิดจากความไว้วางใจระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายที่สื่อสารกันแต่การสื่อสารเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านพี่น้องไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนเริ่มจากลักษณะทั้งห้าอย่างที่ผมแบ่งไปกับเราในใบนี้แล้วถ้าอยากจะได้หนังสือกนกบรรารพิมพ์หนังสือเ ล, เล่มหนึ่งออกออกมา หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ซ้ํากันอ่าหลายครั้งแล้วนะครับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์มากผมใช้เล่มนี้ประกอบเวลาให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมคนสนหรับชีวิตคู่เล่มนี้จะมีทั้งหลักหลักการแล้วก็มีแบบขัดแล้วก็การฝึกผลด้วยนะครับเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเราได้บายวันนี้อยากข จ, จบนะครับด้วยการพูดถึงอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งที่นอร์แมนไรท์พูดไว้ในหนังสือของเขาและนอร์แมนไรท์บอกว่า คนที่เฝ้าวณอุทยานในรัฐไวโอมิงสังเกตว่าในช่วงหน้าหนาวสัตว์ที่อยู่ภายในที่นั้นมีบางอย่างที่มีอากาศปริยาต่างไปจากปกตินะครับนอร์แมนนายเล่าเล่เาว่ า, า, าคนที่เฝ้าวณอุทยานนั้นบอกว่าในช่วงหน้าหน้าหนาวหมาหมาป่าจะออกมาจากส่วนลึกของวณอุทยานส่วนที่เป็นหุบเขานะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาหา อาหารเนี่ยเ ข, เ, เข้ามาใกล้าชายขอบเนี่ยมากขึ้นแล้วเวลาที่หมาป่าเหล่านั้นไปเจอม้าป่าแล้วถ้าห ม, มาป่าอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับแต่คนที่เฝ้าอุณอุทยานบอกว่าพอหม้าป่ า, า, า, ปารู้ตัวว่าหมาป่าเข้าม า, าใกล้มันจะล้อมกันเป็นวงกลมแล้วก็หันหันหน้าเข้าหากัน ล้อมกันเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากันแล้วใช้เท้าหลังของมันเนี่ยดีดออกไปที่ข้างหลังโดยการหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ใช้เท้าหลังดีดออกไปที่ข้างข้างหลังมันป้องกันซึ่งกันและกันนะครับช่วยในการป้องกันตัวอื่นๆด้วยแต่คนที่เฝ้วาวันักอุทยานบอกว่าถ้าหากหมาป่าไปเจอลาป่าลาป่าจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันเป็นอย่างมากลาป่าจะล้อมกันเป็นวงกลมด้วยเช่นเดียวกันแต่จเจ้าหัวของมันออก แล้วดีดเท้าข้างหลังเนี่ยไปแบบที่ด้านหลังของของมันโดยการหันหัวออกมันจะไม่สามารถปกป้องตัวมันเองแล้วก็ตัวอื่นได้แล้วก็โดยการใช้เท้าหลังดีดไปที่ข้างข้างหลังนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะครับรังแต่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในอากมของมันเองนา o เฮชนอร์แมนไร์เล่าทอาเรื่องนี้ในหนังสือของท่านนะครับแล้วก็ถามว่าในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ และก็ความ ส, สัมพันธ์ในครอบครัวของเราเราเป็นหมาป่าม้าป่าหรือว่าเราเป็นลาป่าหวังว่าในครอบครัวของเราพวกเราทุกคนจะกลับกลายเป็นม้าป่านะครับเมื่อวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นมีความตึงเครียดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเราเราจะหันหน้าเข้าหากันแล้วเราแต่ละคนจะช่วยกันปกป้องนะครับ คนภายนครอบครัวเราจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาบายวันนี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าที่ทรงพรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสื่อสารความรักของพระองค์ให้เราในขณะที่เราทั้งทั้งหลายยังเป็นคนบาปอยู่พระองค์ได้ทงรงโปรดสำแดงความรักของพระองค์ด้วยการประท า, านพระบุตรของพระองค์ให้เราพระบิดาบายวันนี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าที่เราทั้งหลายแต่และคนมีครอบครัว ที่เราเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งขอพระองค์เจ้าทรงโดช่วยเราเพื่อเราทุกคนภายในครอบครัวจะสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันและพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเราแต่ละคนจะเป็นกําลังของกันและการเติบโตไปด้วยกันในขาะที่เราถัลายโปรนิบัติพระองค์เจ้าและดําเนินอยู่ในคลองของพระคิดขอพระองค์เจ้าจะทรงโปดเสริมกําลังให้กับเราและช่วยสิ่งที่เราเมื่อกาสได้เรียนรู้ในบ่ายวันนี้ จะสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับเราทั้งหลายทุกคนด้วยขอโมทนาและขอบคุณพระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน